อุบาสกคนนี้เนี่ยซึ่งท่านก็รักพระพุทธเจ้าอยู่แล้วเพราะเป็นพระอนาคามีเนี่ยก็เลยรู้ว่างานฝ่ายเศรษฐีถ้าปล่อยไว้อย่างนี้เจดีย์ไม่เสร็จแน่นอนเนี่ยนะถ้าหากว่าเราเพิกเฉยซะเจดีย์ก็ไม่สำเร็จเป็นองค์เจดีย์แน่นอนก็เลยเทียมเกวียน500้อเล่มเที่ยวไปในชนบทชักชวนคนทั้งหลายเรียกว่าบอกบุญ ว่าพระกสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์มีพระองค์ทรงพระชนมาายุสองหมื่นปีปรินิพานแล้วคือสมัยก่อนเนี่ยพระพุทธเจ้าจาริกทั่วไปหมดใช่ไหมทั่วไปทั่วชมพูทวีปเนี่ยนะทีนี้ประชาชนทั้งหลายโดยมากไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าปรินิพานอุบาสกคนนี้ก็ไปเที่ยวบอกว่าตอนนี้พระองค์ปรินิพานแล้วน ะ, ะพวกเราเนี่ยจะทํารัตนเจดีย์รัตนเจดีย์เจดีย์ที่สําเร็จด้วยแก้วเป็นต้นเนี่ย พื้นที่สูงหนึ่งโยศผู้ใดสามารถจะให้สิ่งใดไม่ว่าจะเป็นเงินหรือทองแก้วเจ็ดประการฮารดานมโนศิลาก็ตามทีผู้นั้นก็จงให้นะจงร่วมกันบริจาคนะสร้างเป็นรัตนเจดีย์ว่างั้นมีบางคนโอ้โหสร้างเจดีย์สร้างได้ยังไงเป็นยศโยศว่างั้นถ้าหากว่าเรารวบรวมเจดีย์ในโลกตอนนี้นะเจดีย์พทธเจ้าเนี่ยทุกทั่วทั้งโลกเนี่ยมารวมกันเนี่ยใหญ่กว่ายโยชศเยอะนะพทธเจ้าของเราเนี่ยเจดีย์ถ้าเอาทุกเจดีย์เลยนะ ในประเทศไทยประเทศเดียวเนี่ยเจดีเนี่ยเกินโยอดแล้วล่ะเจดีถ้าถ้าเอามารวมกันรวมกันมาหล่อเป็นที่เดียวกันเนี่ยนะถ้าใครเป็นนักว่ายเจดีทั่วประเทศมาเนี่ยจะเห็นเลยว่าเจดีนี่เยอะจริงๆเนี่ยนะเจดีเยอะแล้วก็แต่ละองค์นี่ยิ่งใหญ่แล้วก็ไม่ใช่ประเทศไทยประเทศเดียวประเทศพม่าเท่าไหร่ประเทศลาวอีกเท่าไหร่แล้วก็ประเทศ <bers ama S 1> <ๆ S 2> อื่นๆอีกเนี่ยนะที่เม Liber ืองจีนอีกเท่าไหร่แล้วก็ที่ประเทศอ่าอินโดนีเซียเป็นต้นเนี่ยนะหรือแม้ที่อินเดียเองเนี่ย ที่อินเดียเองถ้เจดีเอามาหลอมรวมเป็นเจดีแท่นเดียวกันเนี่ยจะใหญ่ขนาดไหนเนี่ยนะทั้งสีลังกาเป็นต้นเนี่ยสีลังกานี่ก็เยอะมากมันเจดีก็เลยเป็นเจดีที่ใหญ่โตมากเนี่ยนะทีนี้พอได้รับการโฆษณาชักชวนในการบุญกุศลเพราะว่าเจดีของพระพุทธเจ้าพระนามวัคษาปะมันสร้างครั้งเดียวสร้างเสร็จแล้วเสร็จเลยเพราะอะไรเพราะไม่มีการแบ่งพระาธาตุกระจายไปที่ไหนที่ไหนก็มีสิทธิสร้างอยู่ครั้งเดียวมหาชนก็เลย นะทำบุญร่วมเงินร่วมทองกันตามกําลังของตนส่วนคนที่ไม่มีเงินมีทองทําไงก็ให้ข้าวสารให้น้ํามันเป็นต้นอุบาสกนั้นก็ส่งน้ํามันข้าวสารไปเป็นอาหารแก่คนงานแก่คนงานที่สร้างเจดีย์นะส่วนเงินทองก็ส่งไปแล้วก็เอาไปรวบรวมเพื่อจะหล่อเนี่ยนะหล่อเป็นเงินหล่อเป็นทองเอาไปทําเป็นสร้างองค์พระเจดีย์งานพระเจดีย์ก็สร้างจนสําเร็จเนี่ยนะเพราะอุบาสกคนนี้หาทุนเนี่ยนะเป็นเป็นเจ้าภาพหาทุน จริงงานสร้างเจดีย์เนี่ยนะเป็นพุทธบูชาก็มีหลายแห่งะนะกว่าจะสร้างเสร็จปัญหามันเยอะเนี่ยนะกว่าจะสร้างเป็นองค์เจดีย์ได้แต่ละเจดีย์แต่ละเจดีย์เรื่องมากถ้าไม่ใช่คนมีบุญมีจิตใจที่หนักแน่นและมั่นคงจริงๆไม่ใช่ว่าองค์เจดีย์จะสร้างสําเร็จกันง่ายๆแต่ก็สําเร็จเจดีย์นี้ก็สําเร็จลุล่วงไปด้วยดีะนะพวกกลุ่มคนก่อสร้างเสร็จก็ส่งนังส่งจดหมายเนี่ยนะบอกจากเจดีย์ว่าเจดีย์เสร็จแล้วขอให้อาจารย์กลับมาไหว้พระาธาตุเถอะ กลับมาไหว้พระเจดีอาจารย์ก็ส่งหนังสือไปบอกว่าเราเรียรัยมาทั่วโลกแล้ววะนั้นเถอะเนี่ยเขาทําบุญกันมาหมดแล้วเนี่ยนะเพราะฉะนั้นทุนที่มีอยู่สร้างให้มันเสร็จก็แล้วกันไม่รู้จะไปบอกบุญใครอีกต่อไปเพราะตอนนี้มันบอกบุญเข้ามาทั่วโลกแล้วมันก็ยังไงก็ทําให้เสร็จก็แล้วกันซึ่งฝ่ายอาจารย์ก็ไม่ได้คิดว่าเจดีเนี่ยเสร็จแล้วนะเพราะตัวเองมัวแต่เรียรยัยมัวแผนกหาทุนในที่สุดก็สร้างจนสําเร็จก็ให้อาจารย์กลับมาไหว้เจดี เจ้าหน้าที่ที่ถือหนังสือจดหมายส่งข่าวหากันก็ออกมาพบกันระหว่างทางจดหมายก็กลับมาถึงมือของท่านอาจารย์นี่ก่อนอาจารย์ก็อ่านหนังสือจดหมายแล้วก็คิดว่าเออเราจะกลับไปไหว้พระเจดีคือก็ดูว่าท่านเดินทางเอเจดี JD นี่อยู่ละแวกนะอยู่ละแขวงพาราณสีเจดี JD นี่สร้างเจดี JD พระพุทธเจ้ากัสปะนี่อยู่ในแขวงเมืองพาราณสี จะไม่รู้ว่าอยู่ตำแหน่งใดเนี่ยนะแต่ก็พระพุทธเจ้าเคยแสดงให้พระภิกษุดูว่าเจดีย์ทองของพระกัะสปะพุทธเจ้าเนี่ยนะที่เป็นเจดีย์สูงหนึ่งโยต์พระองค์เคยแสดงให้เห็นแต่ว่าตำแหน่งนั้นอ่ะตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าสถานที่พระพุทธเจ้าชี้ให้ดูนั้นอยู่ตรงไหนเป็นพื้นที่เจดีย์เนี่ยใหญ่มากโยต์หนึ่งนี้ระหว่างเดินทางก็เดินทางเพื่อจะไปเมืองพารณาณสีก็ต้องผ่านแถวแถวเมืองสาวถีก่อนเนี่ยนะเดินทางจากที่ไกลามาเนี่ยนะระหว่างทาง โจรห้าคนก็ปรากฏขึ้นที่ดงคือเมืองเมืองพาราณสีกับเมืองสาวัตถีเนี่ยนะสมัยพุทธกาลแถวแถวเมืองสาวัตถีน่าจะเป็นเมืองขึ้นของพาราณสีแต่สมัยพระ พ, พุทธเจ้าของเรานี่เมืองพาราณสีเป็นเมืองขึ้นต่อสาวัตถีเนี่ยนะก็อยู่ในแขวงอะไอยู่ในอยู่ในคนชนบทนะถ้าพาราณสีเรียก่ากาสีชนบทเป็นรัฐอีกรัฐหนึ่งพาราณสาวัตถีก็เป็นชนบทหนึ่ง แต่สมัยเดียวยุคปัจจุบันนี้เป็นรัฐเดียวกันแคว่ารัฐอุตรประเทศอยู่รัฐเดียวกันนีพวกโจรนี่ก็ดักปล้นโจรบางพวกเห็นท่านอาจารย์อุบาสกผู้เป็นพาาระธรรมองค์พระนาคามีรูปนี้ก็จําได้อ้าวคนคนนี้แหละเป็นคนรวบรวมเงินและทองจากชมพูทวีเป็นผู้รักษาผู้รักษาขุมทรัพย์คงมากันแล้วโอ้ยนี่แหละมหาเศรษฐีแล้วนะ่าไปเรียอะไรได้มาเยอะแ ย, ย, ยะเลยเพราะฉะนั้น ก็เลยบอกโจรมาช่วยกันจับเอาคนนี้แหละเนี่ยนะคงรวยมากเลยแหละเนี่ยนะเพราะไปเที่ยวเรื่อยรายมาเยุะแยะทั่วโลกหมดทีนีออ้อุบาสกอนาคามีก็เลยถามว่าจับเราทําไมโจรก็บอกว่าก็ท่านรวบรวมเงินทองทั้งหมดมาจากชมพูทวีปเพราะฉะนั้นก็แบ่งเล็กๆน้อยๆแบ่งกันใช้เถ อ, อะนะอาจารย์ที่พระนาคามีก็บอกว่าเราไม่รู้รอกเออคือพวกเจ้าเนี่ยไม่รู้หรืออย่างไรว่าพระพุทธเจ้า กสปปปรินิพานแล้วพวกเรากําลังสร้างรัตนเจดีย์ใหญ่หนึ่งยอดสำหรับพระองค์ตัวเรานี่ก็ชักชวนชาวบ้านทั้งหมดเพื่อประโยชน์แก่การสร้างองค์พระเจดีย์สร้างเป็นทัพพุทธบูชาไม่ได้เพื่อประโยชน์ตนเราไม่ได้หาสแสวงหาสิ่งเหล่านี้เพื่อประโยชน์ตัวเรานะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเรียรายได้มาเราก็เก็บแล้วก็ส่งไปให้พวกกลุ่มก่อสร้างไปทั้งหมด ในตร่างกายของเรานอกจากผ้านุ่งเราไม่มีอะไรเลยแม้แต่บาทเดี่ยวกากันนี้ก็คือแม้แต่สตังแดงเดียวเราไม่มีเลยแม้แต่สตังแดงเดียวโจรพวกหนึ่งก็เออพิจารณาดูแล้วมันก็เหลือแต่ผ้านุ่งผ้าห่มเท่านั้น น, นะนะไม่รู้จะปล้นเอาอะไรอีกก็เลยบอกว่าเอา้าปล่อยท่านไปเถอะเนี่ยนะเพท่านไม่มีตังอะไรอีกคนหนึ่งก็คิดว่าไม่ได้คิดดูนะว่าอุบาสกคนนี้นะพระราชาเป็นอาจารย์ของพระราชา เป็นอาจารย์ของพวกอํามสาธข้าราชการโดยมากนับถือท่านหมดถ้าหากว่าพวกเราเนี่ยเกิดไปเดินที่เมืองเข้าแล้วอาจารย์คนเนี้ยบอกว่าเนี่ยโจรเคยดักปล้นมาแล้วเนี่ยเราไม่ตายกันเนะหมดกันแน่หมดแน่พวกเราพระอนาคามีก็บอกว่าเราจะไม่ทําอย่างนั้นอย่างแน่นอนไม่ทําอย่างนั้นดอกปล่อยก็ปล่อยก็ไม่เป็นไระนะแต่ยังไงเราก็ไม่เอาพวกท่านไปเผาว่างันเถอะท่านพระอนาคามีรูปนี้ท่านพูดด้วยใจที่ กรุณาแต่จริงท่านเป็นปกติและท่านไม่ได้รักชีวิตนะนะพระอนาคามีจะไม่มีฉันทราคาในชีวิตที่จะเสียใจกลัวตายเป็นต้นไม่มีเพราะฉะนั้นท่านก็พูดด้วยใจที่กรุณาต่อพวกโจรทั้งหลายเหล่านั้นแต่โจรก็คือโจรวันยังข้ามก็มาแบ่งมาประชุมกันว่าตกลงเอาอยัางไงปล่อยหรือไม่ปล่อยไอคนที่บอกว่าจับแล้วฆ่าทิ้งมีจํานวนมากกว่า้คนที่ปล่อยมีจํานวนน้อยก็เลยประชาธิปไตยในหมู่โจร น, นะนะ โจนฝ่ายที่ฆ่าก็เลยชนะเลยก็เลยช่วยกันฆ่าอาจารย์นั่นเสียพอฆ่าเสร็จฆ่าเสร็จทําไมตาบอดกันทันทีเลยเนี่ยนะตาบอดสนิททันทีตาเนี่ยบอดสนิทเหมือนอะไรเหมือนประเทศด้ดดานประเทศที่ดับเหมือนไฟดับสนิทเลยนะเพราะอะไรเพราะผิดในพระอริยาสาวกผู้ทรงพลังขุนเนี่ยนะก็คือไปฆ่าใครไม่ฆ่าไปฆ่าพระอนาคามีเข้าฆ่าพระอริอาารอรยเจ้าก็เลยตาบอดสนิททันที โจรเหล่านั้นก็รำพันว่าดวงตาอยู่ไหนดวงตาอยู่ไหนก็ร้องให้ระงมป่าเนี่ยนะโจรบางคนที่ยังพอดีอยู่บ้างญาติก็รับกลับพวกไม่มีญาติก็กลายเป็นคนอนาถาเป็นคนตาบอดเฝ้าป่าอยู่บริเวณ น, นั้นพานใครที่ไปหาของป่าก็จะห่อข้าวห่อของเอาข้าวสารไปแบ่งให้พวกโจรตาบอดนั่นะกินทีนี้เวลาที่ไปทาไปแสวงหาของป่ากลับมาเขาถามว่าไปไหนมาบอกไปป่าคนตาบอดอะไรงี้นนะ ไปป่าคนตาบอดป่าตรงนั้นก็เลยเรียกว่าป่าอันทวันเป็นป่าที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานมาจนถึงสมัยของพระพุทธเจ้าของเราป่าอันนี้เนี่ยนะก็อยู่ตรงไหนก็อยู่ใกล้ไม่ไกลจากเมืองสาวัตถีเป็นป่าที่อยู่ติดติด ก, กันกับเชตวันนั่นแหล ะ, ะครั้งนั้นพระพุทธสมัยพุทธสมัยพุทธกาลสมัยพระพุทธเจ้าของเราเขาก็สร้างเป็นกุฏิเล็กๆ เ, เนี่ยนะสร้างกุฏิไว้เต็มป่านั้นไปหมดเลย เพื่ออะไรเป็นเรือนสําหรับทําความเพียรเป็นที่เจริญสมรถวิปัสนาของพระพิสุทั้งหลายพระภิสุทั้งหลายเนี่ยบอกให้บางทีนะเราบอกว่าเอ้พระวัะเชตวันก็ดูพื้นที่ไม่ใหญ่เท่าไหร่แต่อยู่กันได้ยังไงทั้งหลายพันเนี่ยนะบางทีอยู่กันเป็นหมื่นหมืนรูปก็บอกว่าท่านไม่ได้นอนที่หรือไม่ได้พักอยู่ในวัดเป็นหลักนะท่านไปพักกันข้างนอกอยู่ในป่ากันเป็นหลักเสร็จแล้วก็มาทําธุระมาฉันมาอะไรเสร็จแล้วท่านก็หลบไปอยู่ในป่าตามเดิมเนี่ยนะก็อาศัยแค่เรียกว่าเป็นเรียกว่าป่าอ ที่วัดประเชตวันนะครัข้างๆวัดประเชตวันตอนนั้นสมัยนั้นท่านพระกุมารกสปะกำลังบาเพ็ญเสกขปฏิปทาท่านยังเป็นผู้ที่เจริญสมถะและวิปัสสนาอยู่ในป่าอันถวันขณะที่กำลังอยู่ในป่านั้น่ะก็มีเทวดาเข้าไปหาเทวดาตัวคนนั้น่ะคือใครในหน้า 336ร้สิกเนี่ยนะหน้า 36, กล่าวถึงเทวดาที่เข้าไปหาพระอานาพระกุมารกส ป, ปะถามว่าเพราะเหตุไรเทวดานี้ไปถึงก็ไม่ไหวไปถึงเนี่ยนะไปหาเทวดาไปหาพระหาเจ้าทำไมไม่ไหวพระไหวเจ้าเหางอนนไปพูดแต่โดยสมณะโวหารว่าพิษุภิกษเนี่ยนะไปถึงไปถึงเทวดาคนนี้ไม่ได้ไปกราบไปไหว พระกุมารกัสปะเลยนะไปถึงไปเรียกอะไรภิกษุภิกษุมาเรียกกันยังกับว่าเพื่อนกันอย่างนั้นเน่ยนะเขบอกว่าที่กล้าเรียกแบบนี้เนี่ยนะเทวดาเขามีความคิดว่าตัวท่านเองเนี่ยนะนะท่านเป็นนักบวชมาตลอดตั้งแต่สมัยพระกัสปะพุทธเจ้าจวบจนปัจจุบันท่านก็เป็นนักบวชมาตลอดศีลท่านไม่เคยบกพร่องเลยเพราะเป็นพระนาคามีเนี่ยนะนะท่านก็ประพฤติพรหมจรรย์มาตลอด ส่วนพระกุมารกาัสป่านี่สิโอ้ยศึกมาตั้งนานแล้วศึกมาตั้งแต่ตายชาติที่แล้วนูนนะ่ะนะก็เป็นเทวดามั่งเป็นมนุษย์มั่งแล้วก็เพิ่งมาบวชตอนหลังอีกแต่เราเนี่ยเป็นพรหมจารีมาตลอดก็เลยเรียกว่าภิกษุภิกษุด้วยอำนาจสมณะสัญญาของเทพบุตรนั้นเขาเป็นเทวดาแต่เขาเป็นเทวดานักบวชนะ mm. เพราะฉะนั้นก็ไปถึงก็ไม่ไหวเรียกอย่างเดียวว่าภิกษุภิกษุเขาบอกว่าทำไมเทวดาท่านนั้นจึงไปเรียกเทวดาหมายถึงพรห ม, มนะ ก็เพราะว่าเป็นเพื่อนเก่าบุรภาสหายก็แปลว่าเป็นเพื่อนเก่าของพระเถระนานมาแล้วนานขนาดไหนตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าองค์ก่อนบอกว่าเป็นเพื่อนเก่าเพื่อนเก่าแก่มากแก่แก่ขนาดไหนนับเรียกว่าอะไรเป็นเพื่อนกันเป็นพุทธันดรนเลยนะไม่ใช่เป็นเพื่อนกันแค่ชาติเดียวอ่างั้นจิบรรดาสหายทั้งห้าคนจําได้ไหมกลุ่มที่ขึ้นเขาขาดกลุ่มที่ขึ้นเขาขาดมีทั้งหมดหท่านหท่านก็คือ พระมหาเถระก็คือสังฆเถระที่เป็นหัวหน้าประธานสงห้ารูปนั้นนะนะปฏิบัติสาวันบรรลุเป็นพระอรหันต์พอบรรลุเป็นพระอรหันต์เนี่ยนะท่านก็มีฤทธ์ก็เหาะขึ้นสู่นภ า, ากาศบ้วนตาที่สโนดาบินทบาทจะอุตรกุรุทวีปเสร็จแล้วก็บินทบาทมาน้าก็จะมามาสงเคราะห์พระนั่นนะพระที่เหลือ ก็เลยบอกผู้มีอายุท่านจงฉันบินธบานนี้นะท่านอย่าประมาะแล้วก็บําเพ็ญสมณธรรมเพราะชีวิตการปฏิวัติธรรมมันต้องดารงอยู่ด้วยอาหารท่านฉันอาหารและตั้งใจปฏิบัติก็จะได้บรรลุมรรคผลภิกษุเหล่านั้นท่านก็มานะานะท่านก็บอกว่าผู้มีอายุพวกเราไม่ไม่ได้มีกติกาข้อตกลงกันไว้ก่อนว่าผู้ใดบังเกิดคุณวิเศษก่อนก็นําอาหารบินธบานมาพวกที่เหลือจะฉันบินธบานนั้นแล้วกระทําสมณธรรม เราไม่เคยตกลงกันแบบนี้มาก่อนเลยเมื่อไม่ตกลงจะฉันทําไมไม่ฉันเพราะเราไม่ไม่อยู่ในกติกาเพียงแต่ว่าคุยกันว่าใครอะไรในชีวิตลงไปไม่ต้องขึ้นทีนี้ทุกคนก็มีใจเดียวกันแปลว่าจะมาตายอยู่แล้วเนี่ยนะจะมาคิดถึงอาหารมาหงหาอะไรทําไมเพราะฉะนั้นท่านตัวท่านบรรลุที่สุดกิจหมายคก็ว่าท่านสําเร็จมรรคผลทํากิจในอริยสัจบรรลุเป็นผ้าอาหารก็เพราะอุปนิสัยของตน ก็เพราะว่าท่านมาด้วยบุญของท่านท่านเป็นพระอาหารด้วยบุญของท่านท่านก็เลยสำเร็จมรรคผลถ้าหากว่าพวกเรามีอุปนิสัยก็จกบรรลุที่สุดกิจเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเรามัวแต่คุยกับท่านผู้มาถวายอาหารเสียเวลา mm hmm. นะชักช้าก็แา่ั้นนะแสดงว่าเข้าใจข้อปฏิบัติจะบรรลุกันอย่างเดียวนะเพราะฉะนั้นก็แต่ก็ไปเถอะพระเถระนั้นก็ไปฉันฉันตามความผาสุกนะ ก็อยู่ดำรงชีวิตจนสิ้นอายุไขแล้วก็ปรินิพานวันรุ่งขึ้นวันที่4เนี่ยนะพระอนุรุธพระอนุเทระก็คือรูปที่สองก็ทําให้แจ้งอนาคามีผลแล้วก็ได้อภิญญาเหมือนกันเหาะไปบินทบาทแล้วก็เอาอาหารมาเลี้ยงพระองค์ที่เหลืออีกสมองค์ไม่มีใครรับเลยเพราะอะไรเพราะไม่มีกติกาท่านบรรลุก็ด้วยบุญของท่านท่านก็จงตามสบายแล้วการพวกผมทําไม่บรรลุก็ไม่ต้องฉันกันแล้วว่างั้นเพระอธิษฐานนะถ้าไม่บรรลุก็ไม่ฉันว่างั้นในที่สุดก็ ไม่ได้ฉันอาหารทิพชติหน้านะชาิน น, นอดเสร็จ แ, แล้วก็ฝ่ายพระนาคามีเนี่ยนะอยู่จนครบอายุไขก็ไปเกิดในสวรรค์ชั้นสุดทาวาดแต่ก็ไม่ได้บอกว่าอาวิหาอตัตปา ส, า, ส า, สาสุทสาสุทศีหรืออกากนิธาพระอนุเทระรูปที่สององค์นี้เนี่ยนะดำรงอยู่ในสุดทาวาดผ่านไปพุทธันดรหนึ่งเร็วเหมือนฝันเหมือนันแป๊บเดียวนะ เท่ากับว่าไม่กี่ชั่วโมงของเทวดาจริงๆโดยเฉพาะไม่กี่ชั่วโมงของพระอนาคามีท่านก็เล็งดูอ้าวเพื่อนเก่าไปไหนเห็นเลยว่ารูปที่หนึ่งที่เป็นพระสังฆเถระปรินิพานแล้ว